พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินท ะ, พร ะ, ะพระอิติยะพระอุติยะพระสัมภะล ะ, ละพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินยัยฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตามพระปั น, นี้